สำหรับวันนี้นะ <c oughs> วันนี้จะพูดถึงเรื่องมโนมายุธิที่เกี่ยวข้องกับจิตถ้าในวิชามโนยุธิท่านก็เรียกว่าเจตปรยายาิยญาณ ว่าเจาตัวปริยาณก็หมายถึงว่ารู้สภาวะของจิตจรู้ว่าจิตของเรามีสภาวะอะไรในคําว่าสภาวะก็หมายถึงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตบ้างจึงปรากฏเป็นรูปที่มีสีที่เข้ากำลังเป็นองค์นิมิตมีประการหนึ่งก็คือว่า สามารถจะรู้ในจิตตานุปัสสนามหาสิจิปฐานถูกไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของวิชาการก็ไม่พูดดีกว่าเวลาเราต้องการรู้เวลานี้เธอจงตั้งจิตให้เบาๆคำว่าเบาก็หมายความว่าอย่าไปตั้งใจเกินไป แย่ไปกำหนดเพ่งเกินไปวางใจของเราเบาๆเหมือนกับเราอยู่คนเดียวที่ว่างเปล่าเรากำลังนั่งอยู่ที่คนเดียวไม่มีใครอยู่เกี่ยวข้องกับเราใกล้ๆเราหลับตาของเราด้วยความสนิทในป่ารู้สึกมันมืดเม็ดก็จริงแหลแต่ใจเรามันไม่ในมืดใจของเรายังมีความสว่าง เธอจงแสวงหาความสว่างที่เกิดขึ้นในใจของเราเสียก่อนนั่นคืออะไรนึกถึงองค์เสดพระจอใมใจประมาศักษาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนใจมันก็จะเกิดความสว่างการนึกถึงพระก็น้อมใจเข้าไปหาพระว่าเราเป็นพุทธมามกะผู้ปฏิบัติ เดินรอยตามเบื้องพระเจ้าคุณระบากของพระองค์เวลาใจเข้าหาพระเราจึงมีความรู้สึกว่าเบาแล้วก็สบายไอ้คำว่าเบากับสบายตัวนี้แหละเขาเรียกว่าจิตสว่างความรู้สึกที่แจมันเบาใจมันสบายเธอก็ตั้งความรู้ที่เกิดขึ้นในใจของเธอิอต่อไปว่า แล้วเราจะกำหนดจิตใคร่ควรอะไรจึงจะทำให้ใจของเราสว่างมากขึ้นแ่านี้ก็นึกถึงคหาคำขององค์เสด็จพระจินนาสีบรมศาสดาที่ทรงตัดเตือนให้พเรารู้ตัวเสมอว่าชีวิตที่อุบัติเกิดขึ้นคราวนี้เราไม่ทนความตาย ทุกคนยอมรับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแม้แต่องค์เทพว่าทรงสวัสดีโสภาพก็ยังทรงต้องปริิพานคือตายเหมือนกันไม่มีใครที่มีความยิ่งใหญ่เก่งรูปจะสวยรวยทรัพย์บุคคลนั้นจะถูกเช่ดชมยินดีในหมู่สมาคมใดๆก็ตามแม้แต่สัตว์ใหร่ฉันที่เป็นที่น่ารังเกียจ ที่เลือนเต็มตัวก็ไม่มีบุคคลใดหนีพ้นสัจธรรมคือความตายเราก็ลองใช้กำลังใจพิจารณาดูว่าเวลานี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งใจว่าถ้าเราตายคราวนี้ภาระที่เราเคยเป็นอยู่มันก็จะสุดทิ้น คือจบไปภาระอะไรบ้างที่เรามีความรู้สึกว่าหนักใจก็คือภาระของกายภาระของกายของเราและก็ภาระของกายคนอื่นภาระกายของเราที่เรามีความรักเราต้องคอยดูแลคอยประคับประคองเกรงและก็กลัวร่างกายนี้จะเสียแทนเราเกินไป กลัวว่าร่างกายนี้จะไม่เป็นดังใจที่เราปรารนากลัวต่างๆนานาจนกระทั่งอันตรายที่เกิดจากภัยกระทบภายนอกเรามีความรู้สึกรักแล้วก็กลัวร่างกายของเราเราแบกภาระอย่างนี้ก็นับวรนะหนักแต่ใจของเรายัางต้องไปแบกภาระกับตายของคนอื่น กายของคนอื่นคือกายของใครบ้างกายของท่านผู้เป็นพิรักมีืท่านเป็นผู้เป็นพ่อท่านผู้เป็นแม่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นภาระอันหนักที่เราไม่สามารถหนีหรือปฏิเสธหน้าที่อันเป็นภาระที่ต้องกระทาได้เราจะหลับหูหลับตา่างคิดว่าไม่สนใจผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ เราจะหนีเพื่อไปแสวงหาความสุขเป็นบุคคลคนเดียวเราก็ทําได้ยากเพราะเรามีความรู้สึกว่านั่นยังเป็นภาระที่เราต้องทําแม้บุคคลที่เป็นลูกของเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นเพื่อนของเราหรือกระทั่งผู้เป็นสามีแล้วก็เป็นภรรยามันก็ประอกอบขึ้นเป็นภาระอันมาก ผู้มีภาระมากมามาก็มีความกังวลมากมีความกลัวมากมีควมามาคุ้นคิดและก็สนกตกใจมากแต่ผู้ที่มีภาระน้อยคือมีกายเดียวจิตเดียวยังมมีความกังวลน้อยมีความเอาใจใส่น้อยไม่ต้องกังวลกับภาระหรือร่างกายของคนอื่น เวลานี้เราอยู่แต่แค่ใกล้พระพุทธเจ้าที่เรากำหนดเป็นองค์มิมิตที่เราคิดว่าพระย่นำนํามาซึ่งความสุขคือความสว่างแก่แชเราได้ดีที่สุดบุกคนอื่นหากเราจะยอมรับนับถือเอามานึกถึงนอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพระธรรมนอกจากพระอริยสงฆ์ล้วนแล้วแต่นํามาซึ่งความทุกข์ เช่เธอนึดถึงท่านผู้ที่เรรักเธอจะเกิดความทุกข์เกิดความกังวลเกิดความวิตกเกิดความคิดต่างๆนานาทำให้จิตใจของเธอไม่สามารถสว่างได้มันกลับกลายเป็นมึดมัวหมองแล้วมันก็เกิดความเศร้าหมองแต่ในทางปรับกันถ้าเรานึกถึงองค์เสด็จพระทรงทันปรมศาสดา คือพระพุทธเจ้าใจของเรากลับสว่างไสวสดใสสงบไม่มีความเศร้าหมองเพียงแค่เรานึกถึงพระองค์เราก็ดับความเศร้าหมองของเราได้ง่ายๆเราก็อาศัยคำสอนขององค์เสด็จพระรมครูที่ทรงตรัสว่าพระมมนุษย์และสัตว์แม้แต่สิ่งของทั้งปวง ต้องมีวันดับคือวันตายพูดกัง่ายๆมันเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นไม่ว่าทั้งคนไม่ว่าทั้งสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆมันยั่นแปรปรนไปในท่ามกลางคือหาความเที่ยงแท้อะไรไม่ได้จะตั้งอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายมันก็ต้องสลายไปคือตายเลืออะไร มันก็เหลือแต่ความว่างอารมณ์ใจที่มันว่างเพราะมันไม่มีความกังวลอารมณ์ใจที่มันไม่ต้องไปคิดว่าเรามีภาระอะไรเป็นเรื่องกังวลมันจึงเป็นอารมณ์ด้วยความว่างว่างตรงนี้มันว่างจากเรื่องการมีความสุขเพราะจิตของเราเกาะอยู่กับพระชนะใจมีพระพุทธเจ้า มันจึงเป็นความว่างที่สดชื่นเอออิ่มแล้วก็สงบเป็นสมาธิมันเป็นความว่างที่เออบิ่มเกีติและมันก็สงบเป็นสมาธิเมืเ่อจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิ อารมณ์ใจมันก็จะว่างได้อารมณ์ว่างเฉยตัวนี้แหละมันจะนําให้เราเกิดความรู้อย่างยิ่งรู้อะไรถ้าสมาธิมันว่างหมายความว่าอารมณ์มันว่างสงบเป็นสมาธิขั้นเบาๆเช่นขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นปฐมฌานอย่างที่เจอกำลังเป็นกันเวลานี้ก็สามารถจะเกิดอารมณ์คิดตะกุญาน มันเป็นยานหือเครื่องรู้จากความว่างของอารมณ์แต่ถ้าเราสามารถเกิดความจิบเอิบใจจากการไข่ควรวรทำนำเนินอยู่ได้านานพอสมควรจนสงบสงัดเกิดสมาธิแล้วมันก็ว่างวางเผยเป็นฌานสี่ เขาก็เรียกว่าฌานสี่ใช้างานชนิดทำอย่างไรก็ดูที่ใจของเธอเจตปริยายาบ้างเอามาผสมประสานกับจิตตาหรือปัตสนามหาสติปัฏฐานใช้กำลังของจิติจตุ ญ, ญานที่เธอฝึกมโนมมยทิเป็นเบื้องต้นว่าเวลานี้อารม์ใจของเรา ไม่ได้ไปเกาะติดกับสิ่งใดๆเราเกาะอยู่กับองค์เสดพระจอมใจบรมา ศ, าศาสดาซึ่งทำให้เราอิ่มเอิบใจเบิกบานคือมันสว่างมันเบาใจไม่ไปคุ้นคิดติดอยู่กับกายของเราที่อาศัยใจไม่ไปคุ้นคิดติดอยู่กับกายของคนอื่นที่เป็นคนรักหรือคนที่เกลียดชัง ใจมีความรู้อยู่เวลานี้ว่าเราเหมือนคนตายไปแล้วตายจากร่างกายที่เราได้อาศัยห่างจากบุคคลทั้งหลายผู้เป็นที่รักคิดมาอยู่แต่องค์เสดพระทรง์สวัสดีโสภาค พ, พระผู้มีคุณอันประเสริฐเป็นผู้ให้ความสุขแก่เราโดยส่วนเดียวผู้ยังประโยชน์หมู่สรรศสัตว์ทั้งหลาย ให้หลดุดพ้นจากความทุกข์มากมายเสรว้ความสุขอันบริบูรณ์คือนิพพานดังที่เธอทั้งหลายเคยเข้าไปสัมผัสกันเรานำใจของเราเวลานี้ที่มีความเบิกบานสามารถจะเหในรูปรูปที่เกิดจากจิตที่เขาเรียกว่าอาเทสมันนกายเรียกว่ารูปในนามก็ได้ เพราะจิตมันไม่มีตัวตนที่เป็นของหยาบจิตมีแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เกิดขึ้นจากความจำเกิดขึ้นจากความคิดเกิดขึ้นจากความสัมผัสจิตตัวนี้มารู้ว่าเวลานี้เราสัมผัสความสงบคือความว่างอันเกิดจากเรานึกถึงพระพุทธเจ้า จิตมารู้ว่าเวลานี้เราสงบเพราะมันไม่มีความเศร้าหมองอันเกิดจากความห่วงใยความอะไรอววรความหวนคิดถึงบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นสามีภรรยาแม้บุคคลทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติรวมทั้งสัตว์และก็สิ่งของเพราะเรารู้ว่าสิ่งทั้งปวงที่กล่าวมา ร้วนตั้งอยู่ได้ไม่นานจะต้องถึงคำว่าตายคือสลายไปในที่สิ้นสุดสิ่งทั้งปวงที่เรารู้เราเข้าใจมันก็จะปรากฏสิ้นสุดด้วยความว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่เวลานี้มีแต่ใจที่สามารถนำให้เธอกำหนดจิต คิดตามความเป็นจริงด้วยการขอพรองคเสด็จพระจินนวรว่าทิศมณกายของข้าพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในเวลานี้มีรูปปรากฏเป็นอย่างไรรูปอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่าใครบันดาลเพราะว่าเป็นความปรารถนาของใคร แต่เป็นความป่าถนาที่เกิดขึ้นจากความสงบของจิตเมื่อจิตมันสงบจิตมีความเคารพเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยะจิตมั่นคงในศิ้นสิขาบทที่ตัวเองให้ครวรอยู่เป็นปกติจิตรู้ธรรมคือเข้าใจว่านอกจากเราแม้แต่เขาแม้แต่สิ่งทั้งปวงที่เราเคยอาศัยอยู่ เี่เราเคยใช้อยู่ที่เราเคยเห็นอยู่แม้ใกล้และก็ไกลที่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นของละเอียดของหยาบที่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นของปราณีตเป็นของดีของเลวทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ต้องอันตรธานไปกับความไม่เที่ยงไม่สามารถยัดยัง้งความไม่เที่ยงให้ทรงตัวอยู่แล้วมันก็จบลงตรงที่ตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลย พราความรู้ที่เกิดขึ้นจากใจสัมผัสรูปคืออธิสมนักกายก็จึงได้อุบัติเกิดขึ้นอย่างนี้เวลานิจายของเธอเธอย่ำรู้ตามเปล่ารู้สึกใิจยของเธออย่างนี้จงจำไว้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะใครบันดาลจำไว้มันอย่างนะ ตัว ก, กายเสียทิศสมนากายจิตเธอรู้สึกในเวลานี้เกิดขึ้นเพราะอํานาจจิต จ, จิตที่ไม่ได้ จ, จิตอุปาทานไม่ได้นึกเอาไว้ก่อนไม่ได้คิดว่าเรามาสวรรค์เราต้องเป็นเทวดาเราต้องเป็นนางฟ้าเราไปอยู่ที่นั่นรูปร่างของเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสิทธตอยู่ในอุปาทาน แต่ถ้าเราปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้เบาปล่อยจิตใจของเราในความเคารพเร้เ่องสายองค์เสดรีพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทำใจคิดคิดนานายอมรับความเป็นจริงในสัจธรรมอย่างน้อยเราก็ไม่ติดกายเราเพราะเรารู้ว่ากายของเราตั้งอยู่ได้ไม่นานไม่ช้ามันก็ต้องตายก็เรารู้ว่ากายของคนอื่นที่เป็นที่รัก ก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานไม่ช้าก็ต้องตาย <quila> เราก็รู้ว่าสิ่งของใดๆที่เป็นของอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เป็นของดีหรือเป็นของเลวเป็นของปราณีตหรือเป็นของหยากย่ำตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ต้องตายพังเหมือนกันเพราะเรารู้อย่างนี้จิตของเราจึงเบิกบานมีความสงบเมื่อมันสงบพอเกิดอารมณ์ ว่างเป็นสมาธิความเป็นทิพย์ของจิตมันก็เกิดได้เมื่อเราต้องการจะรู้ว่าเวลานี้ทินสมานกายคือรูปของเราที่อยู่ใกล้ๆองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะปรากฏเป็นรูปอะไรแต่รู้ได้ใช่ไหมรู้ได้เมื่อใจมรู้ได้ ไม่ใช่ว่าแค่นี้มันดีแล้วเพราะว่าจิตของเรายังไม่ถึงที่สุดจิตของเรายังไม่สามารถปลเปลืงความทุกข์ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเป็นจิตที่มีอารมณ์คารพบเรื่องใสต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยะเป็นจิตที่ยอมรับกฎของความเป็นธรรมดาเบื้องต้นคือฝากตายเป็นจิตของผู้ที่รักษาศนล ได้ความเคารพเรื่มใสอาธิสมณกายที่ปรากฏต่อหน้าองค์เสด็จพระจอมแต่บรมศัิ์สดาจึงเป็นเพียงเท่านี้ทีนี้ว่าทำไมเจโตปริยานจึงสามารถปรากฏให้ได้เธอให้ ค, ควรต่อไปดูดีๆนะจ๊ะทาใจเบาๆพ่าเวลานี้เธอรู้อย่างนี้เธอเข้าใจว่า ร่างกายของเธอต้องตายเธอรู้ว่าร่างกายของคนที่รักไม่ทาก็ต้องตายเธอรู้ว่าสิ่งทั้งปวงที่เธอมีอยู่ต้องพังเธอรู้อย่างนี้เธอจึงตัดสินใจอยู่กับองค์สเสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือฤาิีพระขอพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเอาศีสมาธิ เป็นเครื่องตั้งมั่นเอาปัญญาเพียงน้อยนิดมาคลิกให้ควนได้เท่านี้อธชิสมากายของเราจึงปรากฏมีความเบามันไม่หนักมีความสว่างมันไม่มืดธอรู้ใช่ไหมรู้แต่ถ้าในทางจิตมันคิดใหม่ธอดูให้ดีนะ ถ้าใจของเธอไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าใจของเธอนึกถึงคนรักใจนึกถึงความกังวลจากกายของเธอเจ็บโวด ร, ร้อนกายของเธอไม่สวยกายของเธอมีโรคเจ็ดแทงกายของเธอเตล่มโทมกายของเธอเป็นที่น่ารังเกียจไม่อยากไม่อยากให้เกิดแบบนี้ ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้กระทบร่างกายของเราเราไม่ชอบเราไม่ต้องการอารมใจของเธอมันจะเริ่มหนักแสงสว่างสวยที่ปรากฏเวลานี้ก็จะหายไปปลาเบาของกายก็จะกลายเป็นของหนักรูปที่ปรากฏกละจุบัติเกิดเป็นมนุษย์ คิดจุกุยานก็จะมืดลงไปกลายเป็นเป่ารู้สึกว่าเวลานี้เราคือมนุษย์คือร่างกายเวลานี้เรากลายเป็นคนคิดจุกุยานหายไปแล้วกลายเป็นว่าเวลานี้เราคือคนเห็นไหมแต่ท่านถ้าเธอดึงใจของเธอกลับไปใหม่กลับไปนอบเอานึกถึงองค์เสด็จพระจมแต่บรมมารตาดาเป็นที่พึ่ง วางภาระ ว, ว่ากายนี้ตั้งอยู่ได้ไม่นานไม่ช้าก็ตายกายของคนที่เรารักตั้งอยู่ได้ไม่นานไม่ช้าก็พังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีเราได้แม้อยู่ภายนอกอยู่ภายในเป็นของหยาบเป็นของละเอียดเป็นของปรานีตเป็นของดีของเลวอยู่ไกลเราอยู่ใกล้ตัวเรา ล้วนแล้วก็ต้องพังต้องสลายไปหมดเธอก็กลับมาสว่างใหม่อธิษฐานากายของเธอก็จาใสใหม่ร่างกายเบากลายเป็นกายเบาเบากายไม่หนักรูปก็มีแสงรัศมีเป่งออกมาสว่างสวยัยเบาสบายเธอสามารถจะเคลื่อนโจรของเธอได้ความเบาสบายจะลอยขึ้นไปมันก็เบา แต่ก้าวเท้าเดินมันก็เบาเท so ก็นึกถึงองค์เสดพระมาสัมผัสพทธเจ้าขอได้โปรดประทานสงฆ์เคลื่อนพาลูกไปสู่สถานที่ที่องค์ทรงเห็นสมควรว่าเวลานิจิตของข้าพระพุทธเจ้าควรสำนักหรือพัดอยู่ณสถานที่ใดจึงจะเหมาะสมความเบาของจิตนั่นแหละ ความเบาของอธิฌมานกายมันก็จะส่งผลให้เธอเคลื่อนตัวไปได้อย่างสบายๆใจมีความรู้สึกว่ามันเคลื่อนตัวตามพระไปไหมล่ะความรู้สึกที่มันเบาสบายไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่เด้งกลับมาหาร่างกายที่เป็นของหยาบหยาบไหมนะอารมณ์ที่มันเบามันปล่อย ปล่อยให้เบาสบายปล่อยให้ใจนั้นอยู่กับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพปล่อยใจของเราเห็นตามความเป็นจริงว่าเราเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วร่างกายเป็นของหนักเราไม่ยินดีกายของคนอื่นเป็นของตั้งปุกพังไม่สามารถตั้งอยู่ได้เราไม่ได้เกาะยินดี แม้แต่สิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุรอบตัวเราเป็นของเราก็ดีไม่ใช่ของเราก็ตามล้วนแล้วเป็นของหนักเราไม่ไปเกาะยินดีเธอปล่อยแจเบาๆอย่างนี้เธอก็เคลื่อนตามพระพุทธเจ้าไปได้แต่ถ้าในขณะใดที่เธอเคลื่อนใจตามพระเธอยังกลับมาติดอยู่กับร่างกายของเธอยังติดกับกายของคนอื่นยังติดกับสิ่งที่เธอคิดเกิดความกังวล มันก็จะเป็นกายมนุษย์ทันทีหมายความว่ามันก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายนี้อีกพอเข้าใจทางเดินของจิตไหมปล่อยใจให้เบาสบายขณะนี้กำลังเกิงใจเท่านี้เธอสามารถไปสู่แดนพระจุลมณีเจดียสถานเธอเคลื่อนไปได้ ขอบา ร, รมีองค์เสด็จพระจอมแต่บ ร, รมศาสดาขอสถานที่นี้จงปรากฏตามความเป็นจริงอย่าให้มีอุปทานจิตของลูกเป็นตัวตั้งขอความเป็นจริงจงปรากฏด้วยอารมณ์ใจของข้าพระพุทธเจ้าที่ไม่เกาะร่างกายเป็นมนุษย์ด้วยอารมณใจที่ข้าขอพระพเจ้ายึดเอาพระองค์เป็นสรณะที่พึ่งด้วยอารมณใจที่ไม่เกาะกับร่างกายของคนอื่น ขอบภาพตามความรู้สึกจงปรากฏพระจุลมณีเจดียสถานตามความเป็นจริงได้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะเพียงเท่านี้ความรู้มันก็เกิดขึ้นคื่อยานปรากฏในจิตภาพที่เปิดปรากฏตามรู้สึกมันก็เด่นพัดขึ้นมาได้อารมณ์เบาๆเห็นพระจุลมณีเจดียสถานไม่ว่าเจะอยู่ภายในหรือว่าบางคนอยู่ภายนอก บางคนจะอยู่นั่ตรงไหนสถานที่ใดก็ตามจงทําใจให้เบาเบาสบายสบายอย่าเอามาสนใจร่างกายเป็นมนุษย์อย่าฉุดจิตให้ต่ําดึงมาเกาะร่างกายที่เป็นมนุษย์อยู่จงฉุดจิตของเธอเกาะไว้ที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกาะพระธรรมที่คิดว่าร่างกายนี้หนอะที่เป็นมนุษย์ไม่ท้าก็พังไม่ท้าก็ตาย ร่างกายของคนอื่นที่เป็นที่รักไม่ช้าก็พังไปตายไปทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายใครๆก็ไม่มีความหมายสำหรับเราลูกก็ไม่มีความหมายสามีก็ไม่มีความหมายสำหรับเราภรรยาก็ไม่มีความหมายสำหรับเราเรามีแต่องค์เสดพระส์สมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของใจเราเวลานี้เพียงเท่านี้เธอกําหนดจิตปับ๊บเธอต้องการเคลื่อนใจเข้าไปปุ๊บมันก็ถึงทันที อย่างนี้เข้าไปภายในได้ไหมได้แนะนำการเคลื่อนของจิตแต่จะไม่แนะนำทั้งหมดให้เธอเข้าใจว่าทำไมเกิดความเป็นพิษจิตจังไม่ตกเขาทำอย่างนี้เพราะว่าเมื่อความสงบเกิดขึ้นก็เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิตั้งมั่น มันจึงไม่เคลื่อนตกลงมาง่ายๆแต่หากเมื่อไรใจของเธอไม่สงบขาดการไข้่ควนคำขาดการมีสตินึกถึงองค์เสดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอก็จะตกลงมาอยู่กายอยากทันทีพอเข้าใจนะจ๊ะทีนี้ฝึกเรื่องเจโตรปริยญาณยา เธอเนี่ยเวลานี้มันมีความเคารพพระใจของเธอมีความเข้าใจสัจธรรมในเบื้องต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่ได้ไม่นานคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างต้องสลายไปเกิดนักตาตายเราไม่มีกายที่ต้องสนใจกายมันคือกายของเราเราไม่ต้องมีอารมณ์ไปสนใจกายของคนอื่นคือกายของโคนรักหรือไม่รัก เราไม่มีใจจะเอารมณ์ไปต้องสนใจวัตถุทั้งหลายที่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเวลานี้ชิดจักุยานหรือภาพที่ปรากฏทิป็นรูปอธิสมนากายจยง่องใสเบาสบายเวลาจิตของเธอมีอารมณ์แบบนี้รูปจึงปรากฏอย่างนี้ชีนี้ดูดูอดีต เพื่อใช้เจตัวเไหมนะตั้งอารมณ์ให้เพียงเท่านี้ก่อนยังไม่ต้องสะอาดมาไปก่ น, นี้ก็ได้เลียวค่อยๆไปถ้าไม่หมดเวลาเธอจึงดูต่อไปว่าอารมณ์ของจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการรู้จริงกับรู้ไม่จริงที่รู้จริงก็หมายความว่าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อ น, นึกถึงแล้วสบายใจ เรารู้ว่าเมื่อเรานึกถึงบุคคลอื่นเช่นพ่อแม่สามีภรรยาลูกแม้แต่วัตถุทั้งหลายเราเศ้าหมองเรามีความหนักนเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจะอะไรมันเกิดขึ้นจะกการรู้จริงกับรู้ไม่จริงที่รู้จริงก็หมายความว่า เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงแล้วสบายใจเรารู้ว่าเมื่อเรานึกถึงบุคคลอื่นเช่นพ่อแม่สามีภรรยาลูกแม้แต่วัตถุทั้งหลายเราเศร้าหมองเรามีความหนักเป็นทุกข์อันนี้เริ่มรู้จริงความรู้อย่างนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สงบของใจมันก็เกิดขึ้นเมื่อ น, นั้นมีความรู้อย่างนี้ถ้ามันไม่รู้จริงล่ะมารู้ว่าการทาความชั่วเป็นของดีมารู้แบบนี้มารู้ว่าการฆ่าสัตว์ดีสนุกบ้างไม่ได้เห็นชีวิตของบุคคลอื่นมีความสำคัญบ้างสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ทางกายบ้างทางวาจาบ้างโดยการพูดโกหกบ้าง พูดพูดจิตสีบ้างพูดในเขารำคาญใจบ้างด้วยการพูดวาจาเลวไห ล, อ, หลาอาการอย่างนี้จิตดวงนั้นก็จะเกิดปว่มเศร้าหมองเธอต้องดูสิว่าดวงของจิตแม้จะทิจิมรรคกายของเธอก็จะเปลี่ยนไป 1, ทันทีมันเปลี่ยนไปเป็นสักนรกกลับมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมาจากเบื้องล่างท่วมที่ศ มีสัพทาวุธหมายถึงอาวุธทั้งปวงพุ่งเข้ามาปักที่ตายของเธอที่มีรูปร่างอันน่ารังเกียจมีคามรูสึกของใจพอเห็นไหมเมื่อใจของเธอเป็นพวกปัจจุบตรร้ายทางกายเมื่อใจของเธอมีอารมณ์ใจปัจจุสตร้ายทางวาจาเพราะจิตมารู้ไม่จริงหรือเรารู้ไม่จริงรู้ว่า การฆ่าสัตว์เป็นของไม่ดีอันนี้รู้ไม่จริงหรือว่ารู้จริงรู้จริงนะแต่ถ้าเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นของสนุกการฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารอร่อยการทำลายสัตว์ทำให้เราปลอดภัยการทำลายสัตว์ทำให้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องน่ารังเกียจจิตดวงนี้มันก็จะกลับกายรูปร่างทันทีเห็นไหมว่า มันบรรดารูก ป, ปรากฏเปลี่ยนไปแล้วรูปปรากฏตามอำนาจของจิตถูกต้องไหมก็เพราะว่าเราไม่รู้จริงเราไม่สามารถทำให้จิตรู้ตามความเป็นจริงจิตก็เลยเปลี่ยนรูปกลายเป็นสัตว์นรกกลับกลายเป็นรูปอำนาจรังเกียจมีเปลวไฟพุ่งมาจากข้างล่างท่วมจีสาร มีอาวุธพุ่งชิ้นแพงอยู่ตลอดเวลาเธอไม่พูดเรื่องรละเอียดนะนะเอาพื้นๆธรรมดาธรรมดานะเพื่อเจอหลายคนบางคนจะได้เข้าใจง่ายๆทีนี้ถ้าอารมณ์ใจของเรารู้ใหม่ละ่ะเหมือนอย่างที่เธอเวลานี้เะรู้ว่าถ้าเรากลับไปนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงสิ่งที่ควรทำคือความเมตตามีความรักให้กับบุคคลอื่นหวังเกื้อกูลคนอื่นให้มีความสุขทางกายทางวาจาจิตมันก็จะมีความเบาผ่องใสระวังสบายสวยงามจิตสวยงามถ้าตายจากความเป็นคนปับ๊บมันก็เป็นเทวดานางฟ้ามีรูปสวยรูปปรากฏที่เป็นเทวดาก็ดี ดังฟ้าก็ตามรูปก็มีความสวยเย็นย้มแจ่มใสเพราะว่าใจมีสภาวะแห่งเต็ม่ได้ความรัรกความสงสารเห็นไหมมันเป็นไปตามใจมันเป็นไปตามความรู้ที่รู้ว่าการมีความรักการให้ความรักการรู้จักให้ความรักกับคนอื่นคือความเมตตาการที่รู้จักรักษา ไม่ให้บุคคลอื่นนั้นเดือดร้อนคือความสงสารจิตมันมีความช่ำชื่นเบาสบายสว่างสวยัยมันจึงปรากฏรูปคืออธิสมาจาจดุดดังเทวดาหรือหนังฟ้า ท, าทันทีแต่ถ้ายามใดเรารู้ยิ่งไปกว่านี้ เรารู้จักทุกรู้จักว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีความทุกข์เรารู้ว่าการทรงร่างกายที่เกิดจากใจของเราที่มันยินดีมันยินดีจะอะไรเราก็ลองดูใจมันยินดีอะไรจรึงได้มีกายเป็นมนุษย์ลองดูซิถ้ายามนั้นเราเป็นเทวดานางฟ้า เราเราย่อมมีความยินดีกับความสนุกแท่เพลินกับสภาวะที่มันกระทบใจเราคือรูปอื่นๆสรุปความสวยความงามกลิ่นหอมความสัมผัสนุ่มนวลใช่ไหมละ่ะข้อเมื่อมีกลายเป็นเทวดานางฟ้ามันก็เป็นแต่ควารรมสวยทุกสถานที่ที่มองไปก็เห็นแต่ควารรมสวยงามอารมณ์จิต ช, ชื่นชื่อมั้ย ชุ่มชื่นสบายใจมีแต่กลิ่นหอมมันก็ชุ่มชื่นสบายใจไม่มีภาระอันทําให้เราต้องหนักกายหนักใจมันก็ชุ่มชื่นสบายใจจริงไหมจิตมันเพียงต้องการเพียงเท่านี้แต่เสียดายว่าที่ที่เราชุ่มชื่นสบายใจบนสวรรค์ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นาน เราจะต้องอันตรธ า, านจะต้องเคลื่อนตัวไปออกจากที่นี่คือหมดบุญวั ส, สนาหากเวลานั้นใจของเธอมีความยินดีอะไรใจของเธอมีความยินดีในการเป็นมนุษย์ยินดีเพราะเรื่องอะไรยินดีเพราะต้องการไปสร้างบารมียินดีเพราะต้องการไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญบ้าง ได้พบกับคนที่ตนเองรักบ้างได้ไปทำสิ่งที่ตนเองอยากจะทำคือความเก่งความกล้าหรือไปสร้างบุญบา ร, รมีเพื่อเ พ, อพอิ่มโพธิยากบ้างเพื่อจะได้มีบุญเ็นวายขึ้นเร็วขึ้นบ้างหรือจิตติเกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องการอย่างอื่นนอกจากนั้นที่กล่าวมาแต่หากว่าเธอไม่รู้สติเธอไม่ทันรู้ตัว ก็เคลื่อนจิตติลงไปอาศัยวิบากกรรมที่ทำไว้แต่อดรอไว้เธอก็จะพุ่งเหลาลงสู่นรกทันทีเพราะอะไรเพราะใจของเธอไม่ได้ครองอยู่กับความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าใจของเธอไม่ได้คิดรู้ดีว่าการเคารพพระพุทธเจ้าเป็นของดีการเคารพพระธรรมเป็นของดีการเคารพพระอริยสงฆ์เป็นของดี ตั้งอยู่ในองค์ศีลที่ตนเองรักและก็คารมเริ่มใสคือคารมศิล น, นั่นเองก็ใจของเรามันขาดส่วนนี้อกุศลธรรมมันจึงชนจิตตกไปสู่อาวัยภูมิกลายเป็นสัตว์รกมีแต่เปลวไฟทุ่งมาจากเบื้องล่างท่วมศีรษะแต่ถ้าจิตดรงนั้น มีความไม่ประมาทในชีวิตเข้าไปฟังคําแสดงพัตธรรมเทศนาจากองค์เสดพระธรรมสามิตรที่เถรวสภาบ้างที่พัจุลมณีเจดีสถานที่ตั้งอยู่ตรงนี้บ้างที่ใจเครืองเทอตั้งอยู่แล้วตัดสินใจทําใจให้น้อมยอมยอมรับน้อมยอมรับเกิดความรู้จริงเกิดความเข้าใจจริงว่าการเป็นมนุษย์มีแต่ทุกข์ การเป็นมนุษย์มีแต่การงานการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของดีสาหรับเราการเป็นมนุษย์มีแต่ความพัดราเป็นการทรมานใจการเป็นมนุษย์ต้องมาเสียแทงกับโรคไทยไข้เจ็บการเป็นมนุษย์ร่างกายไม่สามารถประทังอยู่ได้ด้วยตัวเองหมายความว่าเราไม่สามารถบังคับร่างกายได้ให้สมบูรณ์ปาจนา เราต้องยอมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเ็นไปตามกฎของความเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเมื่อเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องเสื่อมจนตายก็ผู้ได้รู้จริงฟังพระธรรมเทศนาจากองค์เสด็จพระศาตสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพระบนสวรรค์คือในขณะนั้นจิตทรงเป็นเทวดาหนังฟ้าก็จะมีความเข้าใจว่ามนุษย์ไม่น่าเกิด แม้แต่การทรงเป็นเทวดานางฟ้าก็ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้นานก็ไม่น่าอยู่ที่นี่องค์เสด็จพระจินนสีทรงชี้ให้เห็นพระนิพพานเป็นแดนที่ตั้งอยู่ได้นานไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนก็ดวงจิตของบุคคลคนนั้นรู้จริงเข้าใจตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นทุกข์การอยู่เป็นเทวดานางฟ้าเป็นลมก็อยู่ได้ไม่นาน แล้วก็ต้องกลับไปหาทุกข์ใหม่ใจของผู้รู้ตามความเป็นจริงจึงมีความสว่างสวยสวยงามยิ่งขึ้นตั้งอยู่ในองค์แห่งการเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นโสดาปฏิผลทันทีเมื่อตั้งอยู่ในจิตที่ตั้งอยู่ในองค์โสดาปฏิผลการจดติของท่าน ก็ถูกยับยัง้งต่อบุนวาสนาบารมีได้อีกแต่สาหรับเธอกลับมามีกายเป็นมนุษย์เธอไม่ได้อยู่ตั้งอยู่ในอารมณ์ของการทรงพระโสดาบสติผลแต่ที่กล่าวมาอย่างนี้โสดาบสติผลก็ยังมีอารมณ์ต่ำเกิดได้ อีกเจ็ดชาติหากมีอารมณ์ดีไปกว่านั้นก็เกิดได้อีกสามชาติถ้าเข้มข้นก็เกิด อ, อีกชาติเดียวแต่น้อยนักที่จะมีใครลงมาเกิดเพราะอะไรเพราะการรู้จักทุกการรู้ว่าความสุขดีป่าการเป็นมนุษย์นั้นมีอยู่ไม่มีบุคคลใดดวงจิตดวงใดที่โง่ที่จะลงกลับมาเกิดใหม่ ที่เราลงมาเกิดเพราะเรายังไม่ทรงตัวอยู่ในความเป็นโสดาปฏิตินเมื่อครั้งเรามีจิตยินดีในบุงส่วนใดส่วนหนึ่งและเกิดความสว่างสวยงามเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างเมื่อจิตยังมีความนิยมที่จะเกิดเป็นมนุษย์เธอก็ได้สมบัติมนุษย์ครองอยู่เป็นของหนักเห็นไหม ร่างกายของเธอไม่เบาการมนุษย์มีแต่ความหนักเพราะกินแต่ของสกปรกหนักกายของเทวดานางฟ้าสวยอารมณ์คือบุญจึงมีความเบาไม่หนักกายเป็นมนุษย์ไม่มีความผ่องใสแต่กายของผู้เป็นเทวดานางฟ้ามีความผ่องใสเบาสบายกายเป็นมนุษย์ต้องมาประสบพบ กับความไม่แน่นอนอารมณ์จึงแปรปลวนเปลี่ยนไปไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลโดยส่วนเดียวเพราะอะไรเพราะความที่เรารู้ว่าการที่เราเกิดมานี่เราต้องมาเจอกความไม่แน่นอนเพราะรูปของเราไม่แน่นอนจึงเกิดความอารมณ์เศร้าหมอง มีความพยายามอยากให้รูปสวยให้รูปนี้ดีให้รูปนี้เป็นที่ต้องตาต้องใจของตนเองและกับบุคคลอื่นสร้างภาระคือความผูกพันด้วยความรักกับบุคคลอื่นสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆเพื่อเป็นที่พักของกายสร้างงานเพื่อจะได้แสวงหาสิ่งที่เอื้ออานวยความสุขให้กับกาย สร้างได้ความทยานอยากไม่รู้จักจบจักสิ้นจึงเต็มได้วยความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองมนุษย์จึงไม่มีอะไรเบาเลยมีแต่ของหนักเป็นการแบกภาระอันหนักยิ่งแม้กระทั่งกายซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราในเบื้องต้นแต่มันเกิดจากความโง่เกิดจากความยินดีที่ไม่รู้ว่า การมากากมีกายเป็นอันของหนักที่เป็นมนุษย์แบบนี้มันจะเสียแทงทุกถึงเพียงนี้มันต้องมาพบกับความแม่แน่นอนมากมายสุดจะกพลรด น, นาต้องมาจดเตกับสิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ก็กายที่เป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสัตวว่าเธอจงละความยินดีในการเป็นมนุษย์นี้เสียเธอจงเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่าตั้งอยู่ กายนี้เป็นเพียงแค่ธาตุประกอบกันเท่านั้นกายนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นของเธอเป็นของใครกายนี้ไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นดังใจได้กายนี้สักวันหนึ่งก็ต้องอันตรธานว่างไปไม่มีอะไรเหลือเธอจงมีคารู้สึกรู้อยู่ดังนี้ตามความเป็นจริงเสมอว่าเพราะเราทยานอยาก อยากให้กายนี้ทรงตัวอยู่อยากให้กายนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยอยากให้กายนี้ไม่แก่อยากให้กายนี้มีสภาพดังที่เราต้องการคือความชื่มชื่นมีความสุขอยากให้อารมณ์ของเรานี้มีความผ่งองใสอิ่มเอิบเหมือนกับเทวดานังฟ้าซึ่งมีสตอารมณ์สัมผัสสวยอารมณ์ความสุขโดยส่วนเดียวเราก็มีความทยานอยากอยากให้สวยความสุขอย่างนั้น แต่เราก็บังคับไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันไม่ยอมให้ร่างกายมันเสียดแทงเธอก็ต้องเศ้าหมองมัวหมองร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงเธอก็ต้องเศร้ามองมัวหมองความทยานอยากไม่ให้เศ้าหมองก็กลับมัวหมองหนักเข้าไปอีกทุกข์หนักเข้าไปอีกใจหนักเข้าไปอีกหมดแสงสว่างสวยัยยิ่งอยากมากทุรนทุ ร, ราย จึงถึงท่านโกรธผูกพยาบาทอาฆาตหนักทรนทุรายจึงถึงขั้นต้องทําร้ายชีวิตของคนอื่นจิตมีอารมณ์หนักจึงไม่สามารถยับยั้งอยู่กับกายเป็นมนุษย์ได้จึงตายก่อนอายุขไขเมื่อตายก่อนอายุขไขก็ต้องกลายเป็นสัมภเวสีหรือว่าบางคนตายครบอายุขไขก็ต้องตกนรกมีอเวจีมหานรกเป็นที่ไป ใจนะจ๊ะรูปจริงเกิดขึ้นที่ใจเป็นตัวสร้างเป็นตัวกําหนดเธอต้องเป็นผู้รู้จริงจึงจะสามารถสร้างรูปเคื่าาองที่สมนากายของเธอไม่เป็นโทษแต่เพราะเธอรู้ไม่จริงไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุที่ทําให้เกิดทุกเธอดับทุกไม่ได้เธอไม่รู้ว่าเธอจะปฏิบัติยังไง เพื่อจะเ ข, าเข้าถึงการดับทุกข์ได้เธอจึงไม่มีโอกาสสร้างรูปเหมือนกับเทวดานางฟ้าเธอจึงวนเวียนอยู่กับนรกกับสัดเอร้ฉานกับความเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างอันน่ารังเกียจมนุษย์อนัอนมีรูปร่างอันทรมานเฉียนแทงอยู่เสมอเธอเป็นอย่างนี้มานับเป็นอาสงไัยกับนานนับภาพไม่้วน จนกระดูกอันเกิดขึ้นจากใจของเธอที่ยินดีกับมนุษย์หรือไม่ยินดีก็ตามแต่เป็นผลแห่งความโง่ที่ไม่รู้จักทุกของการเป็นมนุษย์ต้องกระดูกของเธอละเรื่อรลาดเต็มพื้นโลกไปหมดในว่าตายของเธอจะเป็นสัตว์ในดิฉ า, านหรือว่าเป็นมนุษย์มันก็ถูกพัมสร้างโลกได้ไปหนึ่งนแหละ ดูจิตก็คือดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตถ้าจิตของเรารู้ไม่จริงอารมณ์ที่จิตมันก็จะหนักเมื่อจิตมีอารมณ์หนักรูปเครือจิตสำนากายก็จะปรากฏเป็นของแย่เป็นของเลวหรือว่าเขาดูสีที่จิตก็เมื่ออารมณ์หนักสีที่จิตมันก็คล้ำดำเป็นต้น ถ, ถ้าเรารู้จริงอารมณ์มันเบา สีของจิตมันก็สว่างสวัยสดใสนี่คือการรู้เจโตเบื้องต้นมันมีลึกไปกว่านี้อีกแจไม่พูดให้ฟังละ่ะเกินกำลังของเธอเอาเพียงง่ายๆเพียงพอเป็นพื้นฐานเข้าใจง่ายๆว่ารูปที่ปรากฏในเวลานี้เป็นสมบัติที่เธอสร้างเองเป็นเพราะความโง่เขาบอบัญญาของเธอเองเป็นเพราะเธอไม่รู้จักทุกเอง เป็นเพราะเธอ ท, ย, ทยานอยากสแสวงหาความสุขซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เองเธอต้องทนกับการสร้างกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วปรากฏผลวนเวียนอยู่มีกายเป็นมนุษย์อย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนของเธอเองเข้าใจอย่างนี้ดึงจิตเอาไว้ที่ไหนดีเอาใจของเธอตั้งมั่นได้สติกาหนดไว้เสมอว่า เราจะไม่ยอมให้ใจของเราเป็นาพาดกับการเกิดเป็นมนุษย์กับการต้องไปเสวยกับการเป็นสัตว์เยยดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์รนรกโดยการคิดว่าต้องไม่ลงไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วที่สุดของเราต้องเป็นเทวดานาังฟ้าแล้วต้องไม่กลับมาเกิดอีกก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน พระเดชพระคุกกลหลวงพอ่อสอนพวกเธอมีมากมายเกิดจำได้ว่าทำอย่างไรเข้าใจใช่ไหม <S <S <S <S เธอต้องมีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าเธอต้องมีความเคารพจริงๆในพระธรรมเธอต้องมีความเคารพจริงในพระอริยสงฆ์ไม่คิดปรามา a ไม่ตั้งใจป r ามา a ไม่มีแม้อารมณ์ที่เข้ามาแทรกเพื่อเกิดการปรามาสนั่นจึงจะถือว่าเธอพ้นอบายภูมิเธอต้องเป็นผู้มีปัญญาจะรู้จริงรู้ตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านดีจริงๆพระธรรมดีจริงพระอริยสงฆ์ดีจริงจนจิตของมันเชื่องอยู่อย่างนี้มันจึงไม่มีคำ ว, ว่าปรามาสภรัตนาใจ กเพราะใจของเรารู้อย่างนี้ว่ากายที่เป็นที่ตั้งมันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันจะต้องตายสักวันใดวันหนึ่งเราจึงปรักประคองด้วยการไม่ประทุตรายไขย่อาศัยความรักอาศัยความสงสารจึงสามารถทําให้เป็นคนปกติคือมีสินห้าครบรูการมบทสิ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยัน ว่าเธอเป็นผู้ไม่ต้องตกอรกค้นจากอบายภูมิหนทางของเธอมีทางนี้ทางเดียวที่จะไม่กลับมาเกิดอีกนี่คือบันไดขั้งแรกถ้าเธอไม่สามารถทำได้เธอก็จงพยากรมเธอว่าโอกาสที่เธอจะกลับมาอาศัยกายเป็นของหนักกลับมาทุกข์กลับมาประสบทุก กับความเสียแทงกลับมาประสบพบกับความผิดหวังกลับมาประสบพบกับสิ่งที่เสรัฐไม่สมรักไม่สมปาปัตนากลับมาประสบพบกับความแก่และก็ความตายกลับมาประสบพบกับความภาระอันเป็นการงานอันหนื่อยและทรมานเธอต้องเจออย่างนี้อีกนั่นเป็นของน้อย แต่เธอต้องกลับไปลงสู่อบายภูมิเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เอริชานอย่างนี้เป็นต้นเธอจึงเตือนตัวด้วตัวของเธอเองเสียก่อนว่าถ้าเราไม่ต้องการกลับต้อ ง, ต, งตั้งสติคือนึกเสมอว่าวัดนี้เราต้องมีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราต้องเคารพจริงในพระธรรมเดี๋ยวนี้เราต้องเคารพจริงในพระอริยสง์ เดี๋ยวนี้เราจะต้องเป็นคนมีความเมตตาไม่ทำลายชีวิตของใครรักชีวิตของเขาเกื้อกูลชีวิตของเขาให้เป็นสุขได้เท่าที่เราจะให้ได้โดยไม่มีการเบ็ดเบนตัวเองเราจะสงสารเขาได้การไม่ยือยอย้อแย้งทรัพย์ของเขาไม่ยื้อแย้งความรักของเขาไม่พูดวาจาเป็นที่ปิน้นอนโกหกหมัเท็จไม่พูดวาจาเฉียดสีดินพา ไม่พูดวาจาให้เขารำคานใจเพ้อเจอ้อเหลวไหลไม่พูดวาจาหยาบสร้างปวามไม่สบายใจให้แก่ผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเพียงเท่านี้เธอก็ตั้งมั่นอยู่ในองค์ของบุคคลผู้คนอบายภูมิเพราะเธอจะไม่ประมาทตามความเป็นจริงรู้ว่าก็การแก่เป็นทุกข์การเจ็บป่วยแท่ไม่สบายเป็นทุกข์ เราไม่สามารถจะหลีกพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะมันเกินอำนาจของการบังคับบัญชาสุดท้ายมันก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือเธอทรงความรู้จริงอย่างนี้ตลอดเวลาจิตของเธอก็สว่างเดี๋ยวนี้เธอก็สว่างรูปที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ของเธอก็สวยสดงดงามสว่าง ความสว่างอย่างนี้ทรงโตอยู่เรื่อยๆอยู่กับกายหยาบๆความชุ่มชื่นใจก็ยังมีอยู่กับตัวของเราคือจิตแม้นกายฟอมคือกายอาศัยเชว่อเรลามันจะเสปลีเยนแปงไปอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของภายนอกแต่ใจของเราผู้รู้จริงรู้ตามความเป็นจริงเพียงเท่านี้นจะไม่กลับมามีร่างกายอย่างนี้อีก นี่้ถ้าจิตของเธอรู้จริงมากไปกว่านี้คือรู้ถึงการให้อคัคยทาน ร, รู้ว่ากายนี้เป็นของสกปรกกายนี้ไม่น่าไปสิตไม่น่าไปยินดีไม่น่าไปเสีสมไม่น่าไปมองดูให้เกิดอารมณ์ชื่นใจดีใจรูปอะไรที่ปรากฏในโลก ล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกล้วนแล้วเป็นของที่ต้องผูกพังล้วนแล้วเป็นของที่ไม่มีใครบังคับบรญชามนได้ ura, ไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของเราเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปรือรูปของกายเราบ้างรูปของบุคคลอื่นบ้างรูปของสิ่งที่เป็นของหอมคือดอกไม้บ้างหรือในก็ตามเถิดล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกเพราะมันเป็นเพียงแค่ธามาประกอบประจุกันเท่านั้น ตั้งอยู่ได้ไม่นานต้องสลายตัวไปในที่สุดสุดหาใช่แต่เราเป็นของเราไม่ใจเรามีความเมตตาก็รู้อย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วจะมีความทุกข์คล้องนำใจยิ่งเกลียดยิ่งโกรธก็ยิ่งเห็นไฟเผากายตั้งแต่เบื้องล่างท่วมศีรษะของเขาเสมอยิ่งเขาแสดงอารมณ์ไม่ชอบใจเกลียด โปรดเพราะความไม่รู้จริงไฟใ น, นรกหรือไฟเผาผลาญจิตใจของเขาตั้งแต่เบื้องล่างก็ท่วมพิษศักดของเขาเสมอใจที่บีผู้มีความรักมีความสงสารอยู่แล้วเป็นปกติรู้อยู่อย่างนี้จึงให้อภัยทานไม่ผิดใจไม่หวั่นไหวมีแต่ความสงสารเวทนาคิดดับคือไม่ไปผูกติด กับอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต ด, ดับไม่ผูกติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจดวงนั้นจึงสว่างสวัยเป็นประกายยิ่งกว่าสว่างสวัยยิ่งกว่าเบายิ่งกว่าแต่ถ้าหากใจนี้รู้ทุกข์ทั้งหมดจนสามารถละ ความว่าทิตฐิมานะและความปุ้สร้างวุ่นวายของจิตพระความโง่ที่ยังเห็นว่ามนุษย์เป็นของดียังเห็นว่าการเสวยเป็นเทวดานางฟ้าเป็นของดีหมายความว่าเสวยกินดีในบุญเกาะในบุญชื่นชมในบุญยังเห็นบุญเป็นสุขแต่ผู้รู้จริงเขาพูดว่ากว่าเราจะทําบุญ ล้นแล้วจะสร้างความทุกข์ให้กับเราพอเราจะตื่นมาแต่มืดเพื่อจะไปใส่บาตรพอเราจะต้องพยายามเข็นตัวเองให้ตื่นมาแล้วก็ทําทภารักถึงตนเองก็ล้วนแล้วจะเป็นทุกข์จิตใจจดจ่าว่าเช้านี้เราจะต้องไปทําสมาธิเพื่อเป็นบุญเช้านี้เราจะต้องออกไปหาอาหารเพื่อนั่งร อ, อยืนรอพระเพื่อใส่บาตรผู้รู้อย่างนี้เขารู้ว่ามันมีแต่ทุกข์มันไม่ใช่ความสุข ก็จิตของผู้รู้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ใจจึงไม่ติตในบุญแต่ไม่ใช่ไม่ทําทําแต่มันไม่สุขแต่มันไม่ทุกข์ใจพอรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็สลายไปไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของเราเป็นของที่เราไม่สามารถเอามันไปได้แม้แต่สมาธิก็เหมือนกันจึงสามารถทรงความเป็นอรัระผล เข้าสู่ลิานได้โดยง่ายก็ไม่สามารถพูดให้เธอได้ไรายละเอียดได้ตามกำลังปัญญาของเธอเอาเพียงแค่ว่าต้นๆจริงๆแล้วมันละเอียดยิ่งไปกว่านี้อีกเกินกำลังของผู้รับฟังวันนี้ก็กราบขอบพระคุณองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาแค่นี้ไปปฏิบัติกันแล้วกันนะ